พระไตรปิฎกเล่มที่สิบหกราสุตันตาปิฎกเล่มที่แปดสังยุตตานิกายนิทานวัตรพระไตรปิฎกเล่มนี้กล่าวด้วยเรื่องปฏิจจสมุปบาทความเกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุปัจจัยรวมทั้งเมื่อกล่าวถึงความดับก็แสดงเหตุปัจจัยที่ดับเป็นต่อๆกันไปคําว่านิทานเล็งถึงเหตุปัจจัยจึงใช้เป็นชื่อของเล่มนี้ว่า นิทานวัครรวมทั้งเล่มมีก้าสังยุตได้แก่ 1. อภิสมัยสังยุตประมวลเรื่องเกี่ยวกับการตรัสรู้โดยแสดงถึงเหตุปัจจัยส่งผลต่อๆกันให้มีการเวียนว่ายตายเกิดและในทางตรงกันข้ามเมื่อดับเหตุปัจจัยก็ส่งผลต่อๆกันให้ดับความเวียนว่ายตายเกิดได้ 2. ธาตุสั่งยุติประมวลเรื่องธาตุกล่าวถึงธาตุในทางธรรมะหลายชนิดเช่นธาตุที่เนื่องด้วยตาหูจมูกลิ้นเป็นต้นรวมถึงการที่สัตว์ทั้งหลายเข้ากันได้โดยธาตุสอนุมตตค่าสั่งยุติประมวลเรื่องสังสารวัฏหรือความเวียนว่ายตายเกิดมีเบื้องต้นและที่สุดอันตามไม่พบ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 ลาภส ก, การะสังยุตประมวลเรื่องลาภส ก, การะที่ทำให้คนเสียคนทำให้อยู่ไม่เป็นสุขจึงไม่ควรปล่อยให้ลาภส ก, การะชื่อเสียงครอบงำจิตจนลืมตัวเพราะถ้าไม่รู้เท่าทันก็จะเป็นเสมือนหนึ่งเบ็ดที่มีเหยื่อล่อให้หลงกลืนลงเข้าไป 6. ปราหุลสังยุตประมวลเรื่องพระราหุล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 พระผู้มีพระภาคตรัสตอบชี้แจงเหตุผล 8. โอปปมะสังยุตประมวลเรื่องเปรียบเทียบเป็นคำสอนต่างๆเช่นเรื่องสุนัขขี้เรื้อนอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายคนชั่วบางคนก็มีลักษณะเป็นเช่นนั้นแลัก9ภิกขุสังยุตประมวลเรื่องภิกษุ แสดงถึงการที่พระผู้มีพระภาคบ้างพระสาวรีบุตรและพระโมคคัลลานะบ้างแสดงธรรมสั่งสอนภิกษุทั้งหลายพระไตปิดกเล่มที่ 16, ส6บหสั่งยุตานิกายนิทานวักขอน้อมน้อมพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนิทานสั่งยุตวัคที่หนึ่ง พุทธวักหมวดว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระสูตรที่หนึ่งปฏิจจสมุปบาทสูตรว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทคือปัจจาัการหมายถึงอาการแห่งธรรมะที่อาศัยกันเกิดขึ้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันเขตกรุงสาวัตถี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 เพราะพบเป็นปัจจัยชาติคือการเกิดจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโศกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่อครวญทุกข์คือความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจและอุปาญาตความคับแค้นใจจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนนี้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 ความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนนี้วิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกปฏิจจสมุปบาทพระผู้มีพระภาพประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นทรงแสดงธรรมจำแนกปฏิจจสมุปบาทแก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่า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 ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนต์และอุปายาจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนนี้ชราและมรณะเป็นอย่างไรคือความแก่ความคร่่มคราความมีฟันหลุดผมงอหนังเอียวย่นความเสื่อมอายุความแก่งงอมแห่งอินทรีย์ ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆนี้เรียกว่าชราโมระเป็นอย่างไรคือความจุติความเคลื่อนไปความทำลายไปความหายไปความตายกล่าวคือมรตยูการทำกาละความแตกแห่งขันความทอดทิ้งร่างกาย ความขาดแห่งชีวิตตินซีของเหล่าสัตว์นั้นๆจากหมู่สัตว์นั้นๆ น, น, นี้เรียกว่ามรณะชาติเป็นอย่างไรคือความเกิดความเกิดพร้อมความหยางลงความบังเกิดขึ้นเฉพาะความปรากฏแห่งขันความได้อายตนะในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆ นี้เรียกว่าชาติพบมีเท่าไหร่พบมีสามประการ น, นี้คือกามพบพบที่เป็นกามาวจรรูปภพบพบที่เป็นรูปาวจรอรูปภพบพบที่เป็นอรูปาวจรนี้เรียกว่าพบ อุปาทานมีสี่ประการนี้คือกามุปาทานความยึดมั่นในกามทิฏฐุปาทานความยึดมั่นในทิฏฐิศิลปะตุปาทานความยึดมั่นในศิลพรอัตวาทุปาทานความยึดมั่นในวาทะว่ามีอัตตานี้เรียกว่าอุปาทานตัณหามีเท่าไหร่ ตัณหามีหประการ น, นี้คือรูปตัณหาความทยานอยากได้รูปสัทธตัณหาความทยานอยากได้เสียงคันธตัณหาความทยานอยากได้กลิ่นรสตัณหาความทยานอยากได้รสโรผฏฐพตัณหาความทยานอยากได้โผฏฐพักและธรรมตัณหา ความทยานอยากได้ธรรมารมณ์นี้เรียกว่าตัณหาเวทนามีเท่าไหร่เวทนามีหกประการนี้คือจักขุสัมผัสชาวเวทนาเวทนาเกิดจากการสัมผัสทางตาโสตะสัมผัสชาวเวทนาเวทนาเกิดจากการสัมผัสทางหู ขณนสัมผัสสชาว เ, เวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางจมูกชิวหาสัมผัสสชาวเวทนาเวทนาเกิดจากการสัมผัสทางลิ้นกายสัมผัสสชาว เ, เวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางกายและมนโนสัมผัสสชาวเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางใจนี้เรียกว่าวเวทนา ผัสสะมีเท่าไหร่ผัสสะมีหกประการนี้คือจักขุสัมผัสความกระทบทางตาโสตะสัมผัสความกระทบทางหูคานาสัมผัสความกระทบทางจมูกชิวหาสัมผัสความกระทบทางลิ้นกายสัมผัสความกระทบทางกายและมโนโสัมผัสความกระทบทางใจ นิ้เรียกว่าผัสสะสลายตนะมีเท่าไรสลายตนะมีหกประการนี้คือจักรวายตนะอายตนะคือตาโสตายตนะอายตนะคือหูขานายตนะอายตนะคือจมูกชิวหายตนะอายตนะคือลิ้นกายายตนะ อายตนะคือกายและมนายตนะอายตนะคือใจนี้เรียกว่าสลายตนะนามรูปเป็นอย่างไรคือเวทนาความสวยอารมณ์สัญญาความจำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบหรือสัมผัส มณสิการความกระทําไว้ในใจนี้เรียกว่านามมหาพูตธรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาพูตธรูปสีน่นี้เรียกว่ารูปมหาพูตธรูปสี่คือธาตุสี่ได้แก่ปฐวีธาตุคือธาตุดินมีลักษณะแข็งแข็งอาโปธาตุคือธาตุน้ามีลักษณะเหลว เตโชธาตคือธาตุไฟมีลักษณะร้อนและวายโยธาตคือธาตุลมมีลักษณะพัดไปมามหาพูทธรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาพูทธรูปสีน่นี้เรียกว่ารูปนามและรูปดังพันนามาจฉนี้เรียกว่านามรูปวิญญาณมีเท่าไหร่ วิญญาณมีหประการนี้คือจักขูวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางตาโสตะวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางหูคานวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางจมูกชิวหาวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางลิ้นกายยะวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางกายและมโนวิญญาณ ความรู้แจ้งอารมณ์ทางใจนี้เรียกว่าวิญญาณสังขารทั้งหลายมีเท่าไรสังขารมีสามประการนี้คือกายสังขารสภาวะที่ปรุงแต่งกายวจีสังขารสภาวะที่ปรุงแต่งวาจาและจิตตะสังขารสภาวะที่ปรุงแต่งใจ นี้เรียกว่าสังขารทั้งหลายอาวิชชาเป็นอย่างไรคือความไม่รู้ในทุกความไม่รู้ในทุกขะสมุทัยคือเหตุเกิดทุกความไม่รู้ในทุกขะนิโรธคือความดับแห่งทุกและความไม่รู้ในทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับแห่งทุก ความไม่รู้ทุกทุกขะสมุ ท, ทัยทุกขะนิโรธทุกขะนิโรธาามินีปฏิปทานี้เรียกว่าอาวิชชาภิกษุทั้งหลายเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีในที่นี้พระไตรปิฎกฉบับเต็มท่านละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจด้วยปัญาใหญ่นะครับ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 จะมีการละไว้ในฐานที่เข้าใจด้วยการใช้ไปยานใหญ่ดังนั้นจะขอใช้คำว่าเป็นต้นนั้นแทนไปยานใหญ่ขอให้ท่านผู้ฟังเข้าใจตรงกันนะครับสำหรับผู้ศึกษาสามารถเปิดพระไตรปิฎกออนไลน์ศึกษาเพิ่มเติมหรือเพื่อประ ก, กันความถูกต้องได้ด้วยตนเองนะครับ ปฏิปทาสูตรว่าด้วยปฏิปทานากรุงสาวัตถีพระภูมิพระภาคตรัสแสดงเรื่องมิจฉาปฏิปทาข้อปฏิบัติผิดและสัมมาปฏิปทาข้อปฏิบัติถูกแก่ภิกษุทั้งหลายตรัสว่าปฏิจจสมุปบาทสายเกิดทุกนี้เป็นมิจฉาปฏิปทาคือเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัย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 ณกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสแสดงเรื่องนี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีก่อนแต่ตรัสรู้เมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ได้มีความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าโลกนี้ในที่นี้หมายถึงสัตว์โลกโลกนี้ถึงความขับแค้น จึงเกิดแก่ตายจุดติและอุบัติก็บุคคลไม่รู้อุบายสลัดออกจากทุกข์คือชาราและมรณะนี้เมื่อไรจึงจะพ้นจากทุกข์คือชาราและมรณะนี้ได้จากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีชาราและมรณะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยชาราและมรณะจึงมี พราะทรงมนาสิการโดยแยกคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อชาติคือการเกิดมีชราและมรณะจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีจากนั้นทรงพระดําริกว่าเมื่ออะไรมีชาติจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยชาติจึงมี เพราะทรงมนาสิกาโดยแยกคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อพบมีชาติจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีพบจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะทรงมนาสิกาโดยแยกขายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่า เมื่ออุปาทานมีพบจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีอุปาทานจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะทรงมนัสิกานโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อตัญหามีอุปาทานจึงมี เพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีและโดยนัยะเดียวกันเมื่อเวทนามีตัณหาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเมื่อผัสสะมีเวทนาจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเมื่อสลายตนะมีผัสสะจึงมี เพราะสลายตนะเป็นปัจจัยพัสสัจึงมีเมื่อนามรูปมีสลายตนะจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเมื่อวิญญาณมีนามรูปจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเมื่อสังขารมีวิญญาณจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี เมื่ออวิชามีสังขารทั้งหลายจึงมีเพรออาะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีอันหนึ่งเพรออาะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีและสืบต่อการเกิดโดยลำดับดังพนามาชนีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนี ภิกษุทั้งหลายจากขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์ว่าสมุทัยจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีรอกอะไรดับชราและมรณะจึงดับ เพราะทรงมนัสิการโดยแยกไายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อชาติคือการเกิดไม่มีชาราและมรณะจึงไม่มีเพราะชาติดับชาราและมรณะจึงดับและโดยนัยยะเดียวกันเมื่อพบไม่มีชาติจึงไม่มีเพราะพบดับชาติจึงดับเมื่ออุ ป, ปาทานไม่มีพบจึงไม่มี เพราะอุปาทานดับพบจึงดับเมื water, uche, ่อตันหาไม่มีอุปาทานจึงไม่มีเพราะตันหาดับอุปาทานจึงดับเมื่อเวทนาไม่มีตันหาจึงไม่มีเพราะเวทนาดับตันหาจึงดับเมื่อผัสสะไม่มีเวทนาจึงไม่มีเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับ เมื่อสลายตนะไม่มีผัสสะจึงไม่มีเพราะสลายตระดับผัสสะจึงดับเมื่อนามรูปไม่มีสลายตระนจึงไม่มีเพราะนามรูปดับสลายตระจึงดับเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเมื่อสังขารทั้งหลายไม่มี วิญญาณจึงไม่มีเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารทั้งหลายจึงไม่มีเพราะอาวิชชาดับสังขารจึงดับประหนึ่งเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับและดับต่อกันไปโดยลําดับดังพันนามาชะนี้ ความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนนี้ภิกษุทั้งหลายจากขุ่ยาปัญญาวิ ช, ชาแสงสว่างในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว่านิโรธพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พึงขยายความหลักปฏิจจสมุปบาททั้งปลายเกิดและปลายดับเช่นเดียวกัน เหมือนการทุกพระองค์อาหารเวัดหมวดว่าด้วยอาหารอาหารสูตรว่าด้วยอาหารนากรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายอาหารสี่อย่างนี้เป็นไปเพื่อการดำรงอยู่ของหมูสัตว์ ผู้เกิดแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์หมูสัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดอาหารสี่อย่างอะไรบ้างคือการลิงการราหารอาหารคือขำข้าวที่หยาบหรือละเอียดปัดสาหารอาหารคือผัดสะมโนสัญเจตนาหารอาหารคือมโนสัญเจตนาละวิญญาณอาหาร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 มีเวทนาเป็นเหตุเป็นเหตุเกิดเป็นกำเนิดเป็นแดนเกิดเวทนามีผัสสะเป็นเหตุเกิดผัสสะมีสลยายตนะเป็นเหตุเกิดสลยายตนะมีนามรูปเป็นเหตุเกิดนามรูปมีวิญญาณเป็นเหตุเกิดวิญญาณมีสังขารเป็นเหตุเกิดอันหนึ่ง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 และเป็นเหตุเกิดโดยลำดับดังพันนามาชนี้ความเกิดแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนี้อันหนึ่งเพราะอวิชชานั้นดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับและโดยลำดับแห่งหลักปฏิจจสมุปบาทปลายดับทุกดังพันนามาชนีความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉชนี้โมลียะภักคุณาสูตรว่าด้วยพระโมลียะภักคุนะนากรุงสาวัตถีพระภูมิพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุทั้งหลาย อาหารสี่อย่างเป็นไปเพื่อการดำรงอยู่ของหมูสัตว์ผู้เกิดแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์หมูสัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดอาหารสี่อย่างคือกาวลิงการาหารที่หยาบหรือละเอียดผัสสะหารบัโนสัญเจตนาหารและวิญญาณอาหารเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระโมลิยาภักดคุณะได้ปุ่นถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไครน้อยอมกลืนกินวิญญาณอาหารตรัสตอบว่าปัญหานี้ไม่สมควรถามเรามิได้กล่าวว่ายอมกลืนกินปัญหาที่สมควรถามก็คือวิญญาณอาหารมีเพื่ออะไรปัญหาของผู้นั้นจึงเป็นปัญหาที่สมควรถามในปัญหานั้นคำตอบที่สมควรคือ วิญญาณอาหารเป็นปัจจัยเพื่อเกิดในภพใหม่ต่อไปเมื่อวิญญาณอาหารนั้นเกิดแล้วสลายะตะนักจึงมีเพราะสลายะตะนัเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีค้าแต่พระองค์ผู้เจริญใครเล่าย่อมถูกต้องสำหรับคำว่าถูกต้องในพระไตรปิฎกไม่ได้หมายถึงถูกหรือผิดนะครับ แต่หมายโดยในย่ว่าถูกต้องสัมผัสตรัสว่าไม่กวรถามอย่างนั้นแต่ควรถามว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีคาตอบที่สมควรคือเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ใครเล่ายอมสวยอารมณ์ตรัสว่าไม่ควรถามเช่นนี้แต่ควรถามว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีคำตอบที่สมควรคือเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีค้าแต่พระองค์ผู้เจริญใครเล่าย่อมทยานยาก ตรัสว่าไม่ควรถามเช่นนี้แต่ควรถามว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยตันหาจึงมีคำตอบที่สมควรคือเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตันหาจึงมีเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใครเล่าย่อมถือมัน่นตรัสว่าไม่ควรถามเช่นนี้ แต่กวรถามว่าเพราะเหตุอะไรเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีคำตอบที่สมควรคือเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีและโดยลำดับหลักปฏิจจสมุปบาทป่ายเกิดทุกข์เป็นเหตุปัจจัยแก่กันและกัน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 เพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนนี้สมณพรามณสูตรว่าด้วยสมณพราม นกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสแสดงเรื่องนี้แก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสมณะหรือรามเราได้เ่าหนึง่งไม่รู้ชัดชาาและมรณะไม่รู้ชัดความเกิดแห่งชาาและมรณะไม่รู้ชัดความดับแห่งชาาและมรณะไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชาราและมรณะ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 หรือไม่จัดว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ทั้งท่านเหล่านั้นก็ไม่ทําให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะและประโยชน์ของความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันส่วนสมณะพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งรู้ชัดชราและมรณะรู้ชัดความเกิดความดับและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะและโดยในยะเดียวกัน รู้ชัดชาติพบอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณรู้ชัดสังขารทั้งหลายรู้ชัดความเกิดแห่งสังขารรู้ชัดความดับแห่งสังขารรู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารสมณพรามเหล่านั้นจัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะ และจัดว่าเป็นพรามในหมู่พรามทั้งท่านเหล่านั้นก็ทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะและประโยชน์ของความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายสมณะพรามเหล่าใดเหล่านึงไม่รู้ชัดธรรมะเหล่านี้ไม่รู้ชัดความเกิดแห่งธรรมะเหล่านี้ไม่รู้ชัดความดับแห่งธรรมะเหล่านี้ ไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งธรรมะเหล่านี้ไม่รู้ชัดธรรมะเหล่าไหนไม่รู้ชัดความเกิดความดับและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งธรรมะเหล่าไหนคือไม่รู้ชัดชราและมรณะไม่รู้ชัดความเกิดความดับและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะและโดยในยะเดียวกัน ไม่รู้ชัดชาติคือความเกิดพบอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตณนาะนามรูปวิญญาณไม่รู้ชัดสังขารทั้งหลายไม่รู้ชัดความเกิดความดับและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารไม่รู้ชัดธรรมะเหล่านี้ไม่รู้ชัดความเกิดความดับ และปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งธรรมะเหล่านี้สมณะพราหมเหล่านั้นไม่จัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะทั้งท่านเหล่านั้นก็ไม่ทําให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะและประโยชน์ของความเป็นพราหมด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันสมณพราหมเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดธรรมะเหล่านี้รู้ชัดความเกิดความดับ ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งธรรมะเหล่านี้คือรู้ชัดชราและมรณะรู้ชัดความเกิดความดับและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะและโดยในยะเดียวกันรู้ชัดชาติพบอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสัสสลายตนะนามรูปวิญญาณรู้ชัดสังขารทั้งหลาย รู้ชัดความเกิดความดับและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารรู้ชัดธรรมะเหล่านี้รู้ชัดความเกิดความดับและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งธรรมะเหล่านี้ภิกษุทั้งหลายสมณะพราหมเหล่านั้นจัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและจัดว่าเป็นพราหมในหมู่พราหมทั้งท่านเหล่านั้นก็ได้ทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะ และประโยชน์ของความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันกัจจานโคตสูตรว่าด้วยพระกัจจานโคตพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นาเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระกัจจานโคตเข้าเฝ้าทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข่าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าสัมมาทิฏฐินี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนาจึงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิกัจจานะโดยมากโลกนี้อาศัยที่สุดสองอย่างคือความมีและความไม่มีก็เมื่อบุคคลเห็นความเกิดขึ้นของโลกด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงความไม่มีในโลก ก็ไม่มีเมื่อบุคคลเห็นความดับแห่งโลกด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงความมีในโลกก็ไม่มีกัจจานะโดยมากโลกนี้ยังพวัวพันอยู่ด้วยอุบายและความยึดมั่นอันเป็นเหตุที่ใจเข้าไปตั้งมั่นถือมั่นและนอนเนื่องแต่อริยาสาวกไม่เข้าไปถือมั่นอุบายและความยึดมั่น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 ธรรมกัจทิกสูตรว่าด้วยพระธรรมกัึกพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นาเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าเฝ้ากราบทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุเป็นธรรมกถึกด้วยเหตุเพียงเท่าไรนอภิกษุจึงเป็นธรรมกถึก พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายหากภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัด <PE> เพื่อดับชราและมรณะควรเรียกได้ว่าภิกษุเป็นธรรมกะถือหากภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบือ่อหนา่น า, นายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับชราและมรณะควรเรียกได้ว่า ภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหากภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะดับเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นชราและมรณะควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบันและโดยนัยเดียวกันหากภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัด เพื่อดับชาติพบอุปาทานตัญหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณสังขารทั้งหลายและอวิชชาควรเรียกได้ว่าภิกษุเป็นธรรมกะถึกหากภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับชาติพบอุปาทานเป็นต้นนั้น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 อเจละกะกัสปะสูตรว่าด้วยบริพาชกชื่ออาเจละกัสปะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันเขตกรุงราชกุลครั้งนั้นอเจละกะักะัสปะทูลถามดังนี้ว่าท่านพระโกดมทุกเป็นสิ่งที่ตนกระทำเองหรือไม่อยากกล่าวอย่างนั้นกัสปะ ท่านพระโคดมทุกเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้หรือไม่อยากกล่าวอย่างนั้นกัสปะท่านพระโคดมทุกเป็นสิ่งที่ตนกระทำเองด้วยและคนอื่นกระทำให้ด้วยหรือไม่อยากกล่าวอย่างนั้นกัสปะท่านพระโคดมทุกเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็ไม่ใช่และคนอื่นกระทำให้ก็ไม่ใช่หรือไม่ อยากกล่าวอย่างนั้นกสปะท่านพระโคโดมทุกไม่มีหรือกสปะทุกไม่มีก็ไม่ใช่ทุกมีอยู่ถ้าอย่างนั้นท่านพระโคโดมย่อมไม่รู้เห็นทุกหรือกสปะเราไม่รู้เห็นทุกก็ไม่ใช่เรานี่แหละที่รู้เห็นทุกโดยแท้เมื่ออาเจลกสปะ ได้รับคําตอบเช่นนั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดตรัสบอกทุกเก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากัสปะเมื่อเบื้องต้นมีวาทะวา่าผู้นั้นกระทําผู้นั้นสวยทุกข์ต่อมามีวาทะวา่าทุกเป็นสิ่งที่ตนกระทําเอง อันนั้นเป็นสัสตาทิฏฐิคือความเห็นว่าเที่ยงเมื่อมีผู้ถูกเวทนาเสียดแทงเบื้องตนว่าคนอื่นกระทำคนอื่นเป็นผู้เสวยทุกข์ต่อมามีวาทะว่าทุกคนอื่นกระทำให้อันนั้นเป็นอุจเฉททิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์ตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนี้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 ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอาเจลกัสปะได้กราบทูลสรรเสริญพระพาสิทธ์ประกาศตนขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณนะและกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากัสปะผู้เคยเป็นอนดยดารธี คือเคยเป็นนักบวชลัทธิที่อื่นประสงค์จะบรประชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้จะต้องอยู่ปริวาสสี่เดือนหลังสี่เดือนเมื่อภิกษุพอใจก็จะให้บรประชาอุปสมบทเป็นภิกษุอันหนึ่งในเรื่องนี้เราคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยกราบทูลว่าถ้าเป็นเช่นนั้นข้าพระองค์จะขออยู่ปริวาสสี่ปี อเจลกาสปะได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วเมื่อบวชแล้วไม่นานหลีกออกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่สำเร็จเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายติมพระรูป ข, ขัดสูตรว่าด้วยปริพาชกชื่อติมพระรูป ข, ขั พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นปริพาโชคชื่อติมพรุขขัเข้าไปเป้าทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระโคดมสุขและทุกข์เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองหรือไม่เป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้หรือไม่เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองด้วยและเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ด้วยหรือไม่ สุขและทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็ไม่ใช่ล่าคนอื่นกระทำให้ก็ไม่ใช่หรือไม่ตรัสตอบว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นติมพรุข ค, คะกราบทูลถามว่าสุขและทุกข์ไม่มีหรือติมพรุข ค, คะสุขและทุกข์ไม่มีก็ไม่ใช่สุขและทุกข์มีอยู่ถ้าอย่างนั้นท่านพระโคดมย่อมไม่รู้เห็นสุขและทุกข์หรือติมพรุข ค, คะ เราไม่รู้เห็นสุขและทุกข์ก็ไม่ใช่เรานี่แหละที่รู้เห็นสุขและทุกข์โดยแท้เมื่อติมพะรุกขะได้รับคําตอบเช่นนั้นจึงกราบทูลว่าขอท่านพระโคดมโปรดตรัสบอกสุขและทุกข์แก่ย้าพระเจ้าด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมื่อเบื้องต้นมีวาทะว่านั้นเวทนาผู้นั้นสวยเวทนาแต่เราไม่กล่าวอย่างนี้ว่า สุขและทุกข์เป็นสิ่งที่ตนกระทําเองเมื่อบุคคลถูกเวทนาเสียดแทงว่าเวทนาเป็นอย่างหนึ่งบุคคลผูดสวยเวทนาก็อย่างหนึ่งทั้งเราไม่กล่าวอย่างนี้ว่าสุขและทุกข์เป็นสิ่งที่คนอื่นกระทําให้ตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนี้เพราะแสดงธรรมโดยสายกลางว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัย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 เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วติณพ ร, รุขาปริพาชกได้กราบทูลสรรเสริญพระพาสิทธประกาศตนเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตพาละปันติตาสูตรว่าด้วยกลพาและบัณฑิตพระผู้มีพระภาคประทับอยู่หน้าเขตกรุงสาวัตถี ตรัสกับภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายกายของคนผ่านนี้ผู้ถูกอวิชชาขวางกัน้นประกอบด้วยตัณหาเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้กายและนามรูปภายนอกนี้ในที่นี้หมายถึงกายของชนเหล่าอื่นกายและนามรูปภายนอกนี้มีอยู่ทั้งสองส่วนอย่างนี้เพราะอาศัยส่วนทั้งสองนั้น ผัสสะจึงมีคนผ่านถูกภาษายาตนณหะหกหรืออายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบเข้าจึงสวยสุขและทุกข์กายของบัณฑิตนี้ผู้ถูกอวิชาขวางกัน้นประกอบด้วยตัณหาเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้กายและนามรูปภายนอกนี้มีอยู่ทั้งสองส่วนอย่างนี้เราอาศัยส่วนทั้งสองนั้น ผัสสจึงมีบัณฑิตถูกภัสาะยตนะหกหรืออายาตนะอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบเข้าจึงสวยสุขและทุกขในชนสองจำพวกนั้นมีอะไรเป็นความแปลกกันเป็นความแตกต่างกันเป็นเหตุทํำให้ต่างกันระหว่างบัณฑิตกับคนผานกายของคนผานนี้ผู้ถูกอวิชาใดหุ้มห่อแล้ว และประกอบด้วยตัญหาใดเกิดขึ้นแล้วอวิชานั่นแหละคนพานยังละไม่ได้เพราะตัญหานั้นก็ยังไม่สิ้นไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคนพาญไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบเพราะฉะนั้นเมื่อตายไปคนพาญจึงเข้าถึงกาย เข้าถึงกายในที่นี้หมายถึงการถือปฏิสนธิในกายอื่นเมื่อยังมีการเข้าถึงกายเขาจึงไม่พ้นไปจากชาติคือความเกิดชรามรณะโสกปริเทวะทุกโทมนต์และอุปาญาตเราจึงกล่าวว่าเขาไม่พ้นจากทุกข์กายของบัณฑิตนี้ในที่นี้บัณฑิตหมายถึงพระขีณาสก กายของบัณฑิตนี้ผู้ถูกอวิชชาใดหุ้มห่อแล้วและประกอบด้วยตัณหาใดเกิดขึ้นแล้วอวิชชานั้นแหละบัณฑิตหลักได้แล้วและตัณหานั้นก็หมดสิ้นไปแล้วข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบัณฑิตได้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบเพราะฉะนั้นเมื่อตายไปบัณฑิตจึงไม่เข้าถึงกาย เมื่อไม่เข้าถึงกายเขาจึงพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเราจึงกล่าวว่าเขาพ้นจากทุกภิกษุทั้งหลายนี้เป็นความแปลกกันนี้เป็นความแตกต่างกันนี้เป็นเหตุทำให้ต่างกันระหว่างบัณฑิตกับคนพาน กล่าวคือการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ปัจจัยสูตรว่าด้วยปัจจัยนากรุงสาวัตถีตรัสแสดงเรื่องปฏิจจสมุปบาทแก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไร คือเพราะชาติเป็นปัจจัยชราจึงมีตถาคตเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามธาตุอันนั้นคือความตั้งอยู่ตามธรรมดาความเป็นไปตามธรรมดาความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้ก็คงตั้งอยู่อย่างนั้นตถาคตรู้บรรลุธาตุนั้นรันรู้บรรลุแล้วจึงบอกแสดงบัญญัต กำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายและกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงดูเธอและโดยในยะเดียวกันเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมี เพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะสลายตัณหาเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตัณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี เพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีตถาคตเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามธาตุอันนั้นคือความตั้งอยู่ตามธรรมดาความเป็นไปาตามธรรมดาความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้ก็คงตั้งอยู่อย่างนั้นตถาคตรู้บรรลุธาตุนั้นครั้นรู้บรรลุแล้ว จึงบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนททำให้ง่ายและกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงดูเถิดภิกษุทั้งหลายเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีในกระบวนการนี้ตถาตาคือความเป็นอย่างนั้นอวิตตถาตาความไม่คลาดเคลื่อน อ น, นัญญทะตาความไม่เป็นอย่างอื่นและอิทธปัจจยตาความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้ดังพันนามาชนิแลนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปปันธธรรมเป็นอย่างไรคือชราและมรณะเป็นสภาวะไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยกันและกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปมีความคลายไปมีความดับไปเป็นธรรมดาและโดยนัยะเดียวกันชาติภพอุปาทานตัณหาเวทนาปัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณสังขารทั้งหลายและอวิชชาเป็นสภาวะไม่เที่ยง ถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปมีความคลายไปมีความดับไปเป็นธรรมดานี้เรียกว่าปฏิจจสมุปปนธรรมเมื่อใดอริยาสาวกเห็นปฏิจจสมุปบาทและปฏิจจสมุปปนธรรมเหล่านี้ด้วยดีด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง เมื่อนั้นอริยาสาวกนั้นจะเข้าถึงที่สุดเบื้องต้นว่าในอดีตรเราได้มีแล้วหรือในอดีตรเราไม่ได้มีหรือนอในอดีตรเราได้เป็นอะไรนอในอดีตเราได้เป็นอย่างไรนอในอดีตเราเป็นอะไรจึงได้เกิดเป็นอะไรอีกหรือว่าจะเข้าถึงที่สุดเบื้องปลายว่า ในอนาคตเราจะมีหรือในอนาคตเราจกไม่มีหรือในอนาคตเราจักเป็นอย่างไรหนอในอนาคตเราจะเป็นอะไรจึงจะเกิดเป็นอะไรอีกหรือจักมีความสงสัยในปัจจุบันอันเป็นไปในภายในหนบัตรนี้ว่าเรามีหรือหนอเราไม่มีหรือหนอเราเป็นอะไรหนอ เราเป็นอย่างไรหนอสัต์นี้มาจากไหนหนาเขาจะเป็นผู้ไปที่ไหนหนอข้อนี้เป็นไปไม่ได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอาริยส า, าวกเห็นปฏิจจสมุปบาทและปฏิจจสมุปป น, นธรรมเหล่านี้ด้วยดีด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง จบวัดที่สองอาหารวัด